าทักษะย้อนกลับมานิดหนึ่งว่าอัทโคภะควาหลังจากที่พระกุมารเนี่ยสับคําเป็นต้นว่าการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดีของบรรปชิตและคําอื่นอีกมากเป็นธรรมกถาประกอบด้วยโทษของผู้ครองเรือนที่จริงแล้วไม่ได้ฟังอยู่แค่นั้นนะพูดถึงโทษของการครองเรือนว่าคับแคบด้วยบุตรและภรยาคําว่าคับแคบหมายความว่ายากที่จะเจริญกุศลได้นี่นะสำหรับคนที่ยังเปลือกกลัวอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็ ประกอบการเลี้ยงชีพแบบคนทั่วไปเนี่ยยากที่จะเจริญกุศลเพราะฉะนั้นหมู่มหาชนเนี่ยนะรักษาอยู่ประกอบอยู่ในในการอยู่ครองเรือนเนี่ยยากเสร็จ แ, แล้วบรรปชิตนักบวชนั้นก็แสดงอนิสงฆ์แห่งวิเวก ข, ของกายัวิเวกเป็นต้นของบรรปชิตผู้อยู่ตามป่าก็สบายใจเนี่ยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับมรึกเหมือนกับเนื้อที่อยู่ในป่าพร้อมจะไปไหนก็ได้เหมือนเนื้อที่ไม่ติดบ่วง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 ตเตรียมทานนิมนต์ให้สวยมหาชนเนี่ยนะอุ้ยนิมนต์ตามลําดับไปหมดเลยนะคนก็เยอะบริวารก็มากสี่เดือนเนี่ยโหเขาเรียกว่าออกงานทุกวันเนี่ยนะสี่เดือนไอ้ที่แรกก็บวชจะให้มันสงบกลายเป็นว่ามีงานกินเลี้ยงทุกวันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมีคนมาต้อนรับมาเชื้อเชิญตัวเองก็มีบริวารมากแม้การที่จะเลี้ยงคน8ปดหมืสี่พันไม่ให้มีความลําบากแล้วมหาชนที่มาเลี้ยงไม่ไม่ไ ม, ไม่อย่างสงบร่มเย็นเนี่ยมันยากเหมือนกันนะ ก็คนที่ออกงานบ่อยๆนี่จะเข้าใจดีเลยมันอุปหระแท้เหมือนกันก็เลยคิดว่าเออเราจะได้หลีกหลีกออกจากหมู่คณะได้อย่างไรพระโพธิสัตว์นั้นพอคิดได้อย่างนี้เนี่ยนะท่านก็หลีกออกจากหมู่ในวันขึ้นสิบสี่คาำบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเพ็ญเดือนหกได้ยินว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ดำเรว่า พวกนี้เมื่อก่อนแวดแล้วเราผู้เป็นเครหัขเที่ยวไปอย่างใดบัดนี้เดี๋ยวนี้พวกนี้ก็ยังห่อมล้อมเราอยู่อีกนั่นแหละประโยชน์อะไรด้วยหมู่คณะพระองค์รังเกียจ ด, ด้วยการปะปนอยู่ด้วยหมู่คณะก็ดําริตต่อไปว่าวันเราจะไปวันนี้แหละแล้วพระองค์ก็ดําริตต่อไปว่าวันนี้ยังไม่ถึงเวลาถ้าหากว่าเราไปเดี๋ยวนี้นะพวกนั้นทั้งหมดก็จะรู้ก็รู้ไปไหนก็ติดตามกันไปแห่กันเป็นขบวนไป เพราะฉะนั้นวันอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านเช่นกับตําบ้านอุรุเวลาได้นิมนต์พระโพธิสัตว์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเหล่านั้นตระเตรียมข้าวมะทุปายาสําหรับบรรดาชิต8 4 0 0 0ื่รูปและสําหรับพระมหาบุรุษขณะนั้นพระมหาบุรุษก็ได้ฉันอาหารกับบรรดาชิตเหล่านั้นคือข้าวฉันข้าวมะทุปายาสในวันเพนเดือน6รุ่งขึ้นก็เสด็จไปที่อยู่ณนะที่นั้นพวกบรรดาชิตก็ปรนนิบัติพระมหาบุรุษ พวกบาประชิตเหล่านั้นก็กลับที่พักกลางคืนกลางวันของตนของตนพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปประทับนั่งบนบรรณศาลาก็รำพึงว่าเมื่อถึงเวลาเที่ยงนกทั้งหลายมารวมกันตาใหญ่จะมีเสียงอึกกระทึกภัยนั้นจะส่งถึงเราในคราวมีภัยแก่ผู้ยินดีในความสงัดคราวมีความวุ่นวายแก่สัตว์ทั้งปวงเห็นป่านี้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าบัดนี้ถึงเวลาพระองค์ก็เสด็จออก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 ชราติธรรมโตพยาธิธรรมโตแล้วก็มรณะธรรมโตเนี่ยนะนะแล้วก็ความแก่ความเจ็บความป่วยความตายเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากความเกิดมันก็พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายเกิดแ ก, แก่เจ็บตายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกก็ถูกอาเกียนเกลือกกล้วอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนั่นเองเนี่ยนะก็อันะนะนั้นแหละเป็นการพิจารณา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 อันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการตรัสรู้ด้วยปัญญาอาหุปัญญาอภิสมยยเนี่ยเป็นปัญญานะเป็นวิปัสนาปัญญาเป็นวิปัสนาปัญญาบอกาเออความแก่เนี่ยนะความตายเนี่ยมาจากความเกิดนะ คือของเราเนี่ยได้ยินก็จริงแต่เราเคยนั่งทบทวนตัวเองเน่เพราะเกิดนะจึงมาแก่มาตายแบบนี้นะสาวกลับไปหาตัวเองแบบนี้เนี่ยนะเขามาเชื่อเลยว่าน้อยคนนักที่จะสาวที่มาแก่มาป่วยมาตายอยู่บัดนี้ชีวิตประจำวันมานจากเกิดแท้ๆสาวไปในลักษณะเนี่ยจริงอยู่ เห็นคนแก่แล้วก็เห็นนึกเปเธอเออมีคนเกิดก็นึกได้แค่นี้นึกนีดๆหน่อยๆไม่ได้นึกเป็นอาชีพหรืงงอไงเถอไม่ได้นึกเป็นมรรคแปดหรืงงอไงเถอไม่ได้นึกเพื่อจะเจริญมรรคแปดก็จริก็อยงั้นนั่ะเนี่ยนะยนะก็ไม่ได้นึกเพื่อจะเจริญวิปัสสนามไม่ได้คิดว่าความรู้ความเข้าใจการใคร่ครวนสิ่งเหล่านี้เป็นทางเพื่อจะนำออกจากความทุกข์เนี่ยนะแต่ของพระโพ ธ, ธิสัตว์นั้น มีการอย่างรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะก็เรียกว่าโยนิโสมนัสิการทําไว้ในใจโดยอุบายอันเยบไข่เนี่ยนะการที่พระองค์ตรึกทำชราและมรณะพระองค์คิดเรื่องชรามรณะนี้คิดว่าตัวเองเท่านั้นหรือคิดถึงสรรพสัตว์ทั้งหมดที่ชราและมรณะชรามรณะเหล่านั้นทั้งหมดมาจากความเกิดบทว่าโยนิโสมนัสิการาทําไว้ในใจโดยอุบายก็เรียกว่า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 ความเป็นจริงมันเป็นอนาัตตาก็ใส่ใจว่ามันเป็นอนัตตาใส่ใจตามสภาพที่เป็นจริงพร้อมทั้งว่าสภาพเหล่านี้มาจากปัจจัยอะไรนี่แหละเรียกว่าโยนิโสมนัสิการหรือโยนิโสมนัสิการนี้ย่อมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งของอภิสมัยการตรัสรู้เพราะเป็นการตรัสรู้ด้วยปัญญาพิจารณาทั้งความเกิดและความดับว่าอะไรมีอยู่หนอชาติจึงมีเนะ ถ้าจะไม่มีชาติไม่มีเพราะอะไรอันนั้นเป็นสายดับอันนี้มาทบทวนสายเกิดต่อไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีเนี่ยนะพระองค์ก็ดํำริอีกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชาติจึงมีทํำไมจึงเกิดชาติมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยเป็นสมุทัยเป็นนิทานเป็นแดนเกิดทําให้มีการเกิดพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลปัญญาการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อพบ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 ทำไมจึงยึดถือเนี่ยนะทำไมต้องยึดถือยึดถือจนเรียกว่าตนต้องทำกรรมด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะโอปาทานมีเนี่ยมันมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อตันหามีอยู่อุปาทานจึงมีโอปาทานมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะทรงกระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเย็บไข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 ความสุขเมื่อคิดว่าสิ่งเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะธรรมารมณ์ทั้งหลายถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนํามาซึ่งความสุขก็ยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรายิ่งเพลิดเพลินเท่าใดก็ยิ่งยึดถือเท่านั้นเมื่อยึดถือเท่าใดก็กายกรรมวจิกรรมมนโนกรรมก็พั้งพรูออกมาชาติชรามรณะก็เป็นไปเพราปัญตัญหานี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานนั้น การพิจารณาอย่างนี้เนี่ยได้มีแก่พระวิปัสสิโสทิศเพราะพระองค์เนี่ยทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันแยบไายคือการที่ตั้งหลักแล้วค่อยๆสาวไปหาเหตุนะสาวเหตุสาวหาเหตุได้ผลแล้วสาวไปหาเหตุเมื่อได้เหตุปั๊บก็ไปหาเหตุของเหตุอีกครั้งหนึ่งก็สาวไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยบุคคลที่มีปัญญาอย่างนี้โดยที่ไม่มีใครแนะนำให้เนี่ยนะถ้าไม่สั่งสมบุญมาจริงๆเนี่ยมิใช่ฐานะ